วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเย็นนี้พวกเราได้พร้อมกันมาไหว้พระทาวัดเย็นต่อ น, นี้ไปจะได้ฟังธรรมเทศนาที่หลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาเพื่อการศึกษาของพวกเราท่านทั้งหลาย พวกเราท่านทั้งหลายต่างวิชาอาชีพที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาถ้าว่าพวกเราไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังมีแต่บางครั้งพวกเราก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะมีแต่ศึกษาวิชาอาชีพที่พวกเราจะทำมาค้าขายหรือว่าเรื่องชีพของตนเองก็ หนักไปในทางวัตถุเป็นส่วนมากส่วนศีลธรรมจริยธรรมหรือคุณธรรมที่จะบำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นตามหลักของพระพุทธศาสนาตั้งที่พวกเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทสี่แต่ว่าพวกเราให้ความสนใจในหลักของพระพุทธศาสนา บางทีที่ในสายตาของหวงพ่อที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์มองมองดูคณาสทาญาติโยมลูกหลานก็จะให้ความสนใจเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพจะมากกว่าคือหนับไปทางด้านวัตถุแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้รมลวดท่านเน้นหนักท่านสอนท่านจะมุ่งมั่นไปทางนามธรรมเป็นส่วนมาก ถ้าจะว่าไปแล้วส่วนทาง ก, กันกับทางโลกทางโลกกับทางธรรมทางโลกก็คือพวกเราทำมาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพอันนี้คือทางโลกส่วนทางธรรมคือเป็นการค้นคว้าศึกษาทางด้านจิตใจนี่แหละพวกเรารู้สึกว่าจะห่างเหินในทางค้นคว้าศึกษาเพราะนั้นวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมแล้วก็ เย็นนี้ก็มีการไหว้พระหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมโอตรียัคขาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้ น, ตนแล้วก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเพราะว่าพวกเราเป็นพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสา ม, มเณรโดยมากจะหนักไปในทางธรรมาหาเลี้ยงชีพอย่างหลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นวันนี้ หลวงพ่อก็คงจะไม่กล่าวหรือว่าแสดงอะไรมากเพียงจะเป็นเนื้อหาสาระในการฟังวันนี้จะเน้นไปในทางภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเรื่องภาวนาซะมากกว่าพอเรื่องทานเรื่องศีลหลวงพ่อก็ได้พูดพอเป็นแนวทางมาแล้วคือเรื่องทานก็คือการอยู่ด้วยกัน ต้องมีน้าใจต่อกันต้องมีเมตตาต่อกันต้องมีการเสียสละทุนทรัพย์เสียสละแนวความคิดเสียสละในการเฉลือเผื่อแผ่ให้เป็นธรรมทานวิทยาทานอภัยทานอามิตรทานอันนั้นก็คือล้วนแล้วแต่ถ้าหว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละและไม่มีการแนะนำสั่งสอนกันพวกเราก็จะอยู่กันเหมือนกับ ศึกษาลาสิงอยู่ในป่าดงพงภัยแต่ถ้าว่าพวกเรามีการศึกษาพี่ได้สองน้องได้หนึ่งมีอะไรก็ปรึกษาปารบกันแนะนำสั่งสอนกันอันนั้นผิดอันนั้นถูกอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนของพวกเราเพราะนั้นการได้ยินได้ฟังหรือว่าการแนะนาสั่งสอน ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดยกขึ้นว่าทานศีลศีลก็คือกฎระเบียบกฎระเบียบคือกฎหมายหรือว่าชุมชนเราตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ด้วยกันต้องมีกฎระเบียบต้องมีกติกาต่อกันเราจะไปยังไงเรานัดพบกันที่ไหนเราจะเดินไปที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นถ้าว่ามีหลายคนเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกฎกติกา เข้มงวดกวดขันขึ้นไปอีกถ้ามากเท่าไรก็ยิ่งมีกฎกติกาให้เคารพกฎหมายบ้านเมืองมากขึ้นไปอีกสรุปแล้วก็คือกฎกติกานั่นแหละคือศีลในหลักของพระพุทธศาสนาคือศีลเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปใหม่อบรมแนะนําสั่งสอนพระสงฆ์ในยุคตน้ตนๆก็ไม่ได้มีกฎกติกาเพราะพระสงฆ์มีน้อย พอพระสงฆ์มีมากขึ้นองค์นั่นก็กระทําผิดองค์นี้นก็กระทําผิดไม่ถูกพระ อ, องค์ก็บัญญัติวินยัยบัญญัติวินยัยก็คือตั้งกฎขึ้นมาเป็นวินัยขึ้นมาหรือว่ากฎหมายก ฎ, กฎกติกาในการอยู่ร่วมกันให้อยู่ในกรอบของกฎกติกาอันนี้แหละคือพระวินยัยจากท่านพ่อตั้งพระวินัยขึ้นมาเสร็จแล้วก็มีการสวดพระปฏิโมก ปฏิโมกถ้าพวกเราได้ศึกษารู้เรื่องแล้วกว็คือศินพระปฏิโมกขน่นะคือศินของพระสงฆ์ให้ฆ่าวัสสาธยายทุกสิบห้าวันเมื่อท่านทั้งหลายอย่าทําอย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, างนี้อย่างนี้นะอันนี้คือกฎห้ามนะอันนี้พวกเราฟังแล้วจะได้จะได้รู้พระสงฆ์ทั้งหลายจะรู้ว่ามีกฎขติการล่ว ก, การ พราะพระต่เจ้าบัญญัติอะไรให้พวกเราศึกษาและปฏิบัติตามอันนี้คือศินของพระสงฆ์แต่ในศินของครวญญาติโยมก็เช่นเดียวกันคือศินห้าสินห้าแลินอุโบสถศสินอันนี้คือศิลอุบาสกอุบาสิกาอุบาสศก็คือโยมผู้ชายอุบาสิกาก็คือโยมผู้หญิงที่พวกเราอยู่เป็นครวญญาติโยมมีกิจธุระภาระมากที่จะต้องส่องแสวงหา เครื่องเลี้ยงชีพการเป็นอยู่พระพุทองค์ให้รักษาศินห้าน่าจะเพียงพอถ้าว่าคนไม่มีศินห้าเป็นยังไงถ้าคนไม่มีศินห้าก็คือการอยู่ด้วยกันไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นที่ระแวงแคลงใจกันถ้าคนไม่มีศินจะทําอะไรก็ไปด้วยกันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้เพออราะเหตุใด เพราะไม่มีศีลธรรมในจิตใจถ้าคนผู้มีศีลแล้วไปด้วยกันการไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะเกิดขึ้นถึงยังไงยังไงพวกเรากคงไม่ฆ่ากันแน่แน่ยังไงยังไงพวกเราคงจะไม่ขโมยสิ่งของกันแน่ๆถึงยังไงยังไงพวกเราคงจะเคารพสิทธิสามีภรรยาของซึ่งกันและกันเพราะมีศีลถึงยังไงยังไงพวกเรากคงจะไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงกัน ถึงยังไงพวกเราก็คงจะไม่ดื่มของมึนเมาสุราเมลยัยคัญชายาฝิ่นเฮโรอินโคเคนสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วทำให้ขาดสติพวกเราคงไม่ทำกันเพราะสินคุ้มครองในเมื่อมีสินแล้วอยู่ด้วยกันก็ไว้เนื้เชื่อใจกันไม่เป็นการละแวงแคลงใจกันเพราะเป็นผู้มีสินมีกฎกติกา นี่แหละมนุษย์อยู่ด้วยกันถ้ามีทานมีศิลความร่มเย็นเป็นสุขความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งจากนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ให้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นท่านสอนเรื่องแนวความคิด เ, เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองจะสอนในแนวความคิดจะเน้นสอนให้แก่พวกเราเพราะวันนี้พวกเราต่างก็มาจากจากตุรทิศมาจากกรุงเทพมาจาก ที่ต่างๆมานั่งฟังอยู่ณขณะนี้เพราะนั้นหลวงพ่อเองจะพูดเรื่องสมาธิสมาธิพระพุทธองค์เน้นหนักพระพุทธเจ้าได้หลักของพุทธศาสนาเน้นหนักอย่างมากพูดอย่างนั้นได้เพราะเหตุไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตัดชั่รุ่ธรรมท่านเป็นพระโพธิสัตว์คือสิท ธ, ธัตถะ จากนั้นท่านก็อ อ, อกไปศึกษาคนคว้าอยู่ในป่าดงพงไผ่ถึงหกปีไปเพื่อศึกษาคนคว้าจากนั้นพระองค์ทำยังไงจึงได้ตัดสู้รมพระองค์ไปนั่งสมาธิจนได้ตัดสู้รมในวันเดือนหกเพการทำนั่งสมาธินั้นทำอย่างไรในละพวกเราจะได้ศึกษาอะไรว เ, ยเนย เพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหัวใจจริงๆของพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติธรรมแสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นคือหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะเหตุใดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะออกไปทรงผนวดหรือออกไปอยู่ป่านั้นพระองค์ก็เห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายเห็นสมณะ จากนั้นพระองค์ไม่ไว้ใจในชีวิตปูย่ย่าตายายวงศาคณะญาติของพระองค์ไปไหนหมดมีแต่ทิ้งสมบัติไว้เป็นทอดทอดกันมาต่อไปภายภาคหน้าพระบิดาก็จะทิ้งสมบัติมาสู่พระองค์ต่อไปอีกพระองค์จะต้องทิ้งสมบัติให้แกพระราชโอรสเป็นทอดทอดไปไม่มีที่สิ้นสุด พราะนั้นพระองค์มองเห็นแล้วว่าจะทํำยังไงจึงจะไม่ตายไปหาหนทางหรือจะทํำยังไงจึงจะไม่ตายจึงได้ไปศึกษาค้นขว้าอยู่ถึงหกปีวันที่ท่านได้จัดสรู้ธรรมหรือวันสูตรสําเร็จในวันนั้นพระองค์นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกไม่คิดถึงอดีตไม่ส่งจิตไปในอนาคตให้จิตใจความรู้สึกอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ลมเข้าลมออกแล้วก็ไม่ตามลมเข้าไปแล้วก็ไม่ตามลมออกมา อยู่ได้ปลายจมูกให้มีสติสัมปันปชัญญะอยู่ในตรงนั้นที่ปลายจมูกนั้นนี่แหละในวันนั้นจากนั้นพระไทยหรือใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งคือไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่สานเมื่อจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนาเกิดฌานมีความรู้ขึ้นมาในในพระไทยของพระองค์จากนั้นพระไทยใจของพระองค์ พระองค์น้อมจิตน้อมใจของพระองค์ดูอดีตอดีตชาติเยาวาปุปเพในวาสานุจติยานละลึกชาติผลหลังได้อันนี้คือเบื้องต้นหรือเป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าของเราที่ท่านออกไปบวชอยู่ในป่าและบาเพ็ญอยู่ในป่าได้ตัดสรู้ธรรมในคืนวันนั้นวันเดือนหกเพ็ญนั้นอันดับแรกก็คือ ปุเพเนวาสานสุสติยานจุตูปปตาตยานอาสาวกยญาณ น, นี่แหละคือพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูของพวกเรา เ, เป็นผู้ประกาศศาสนาเป็นผู้รู้เบื้องตน้นที่พวกเรานับถือเป็นพุทธทงังทำมังสังขังสรารนางคัตฉามิคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึงจากนั้นเราเมื่อนับถือพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็นับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือพระธรรมเมื่อท่านได้ตัดรู้แล้วท่านก็นํํานาพระธรรมที่แทท่านได้ตัดรู้นั้นมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแพร่มาถึงจนถึงยุคปัจจุบันนี้จากนั้นมา2 5 0 0ั ห้าสิบสามปีปีเนี่ยอย่างเนี้ยแต่ตามไม่จริงก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ไม่รู้ว่าเกิดสุขสึกสงครามกี่ยุคกี่สมัยกี่เรื่องกี่ราวมากมายถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแต่ถึงยังไงพวกเราก็ยังเชื่อมั่นว่าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้นั้น หลักใหญ่ๆที่พวกเราจะได้ศึกษานี่คือสติปัฏฐานสีพพท่ที่พระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกมรรคอริยสัจสี่ไต ร, ตรลักษณ์นี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนาหัวใจของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงเส้นคงวาเรานำมาพิจารณาเวลาไหนก็ ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดอันนี้คือหัวใจแต่อย่างอื่นก็มีเป็นนิทานคือพระสูตรส่วนประกอบภวินัยคือกฎระเบียบอันนี้พูดถึงแนวความคิดคือสมาธิและปัญญาที่หลวงพ่อได้กล่าวคือหลักใหญ่ก็คือเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญาอริยสัจจีสติปัฏฐานสีไตรลักษณ์เนี่ย นี่แหละหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาค้นคว้าศึกษาเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาคือที่พระพุทธเจ้าได้สอนหรือว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมจากนั้นก็นได้มาประกาศเผยแพ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราพวกเราก็เกิดมาสุดท้ายภายหลัง ก็ต้องศึกษามาเป็นทอดทอดพวกที่เกิดมาทีหลังก็จะต้องมาศึกษาจากพวกเราท่านทางหลายอีกทอดอยิงอีกเหมือนกันพวกเราก็ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้เราได้ศึกษาจากหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาหมาบัวหลวงปู่ล่าครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นพวกเราได้อ่านได้เลขิด ในลิขิตของแต่ละท่านแต่ละองค์ผสมประสานกันแต่ละองค์ท่านปฏิบัติธรรมท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรท่านได้มักได้ผลอย่างไรท่านก็เขียนลงในสมุดหรือว่าในหนังสือชีวประวัติของท่านแต่ท่านเหล่านั้นพวกเราก็เชื่อมั่นว่าท่านได้บรรลุมักผลได้บรรลุธรรม เพราะเหตุไรเพราะว่าเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วพวกเราได้ประชุมเพลิงหรือว่าพระราชทานเพลิงศพท่านไม่นานอธิธานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นเป็นสักขีพยานถ้าตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าองค์ใดก็ตามที่มรณภาพลงไปแล้ว อธิธาตได้กลายเป็นพระธาตุอันนั้นคือพระหรัตพูดอย่างนั้นได้มีหลักฐานยืนยันเป็นที่ยอมรับกันพุ่นหน้านี้พวกเราก็เห็นแล้วว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นเมื่อท่านล่วงลับไปอธิธาตของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างองหลวงปู่มั่นทีตพวกเราได้เห็นที่พิพิธภัณฑ์ได้ไปกราบก็ไปเห็นว่า กระดูกของท่านอธิษฐานของท่านแปลกแตกต่างกว่าสามัญชนทั่วๆไปเราจึงยอมรับนับถือว่าอันนี้คือพระธาตุของพระอรหันต์เพราะฉนั้นเราจะพูดว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลจากนั้นท่านก็ได้นําความรู้ ที่ท่านได้ศึกษาในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากระพร้อมกันท่านก็ได้ประพฤติธปฏธิบัติตนของท่านจนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลวิธีการของท่านเป็นอย่างไรเนี่ยนละ่ะอันนี้พวกเราสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องศึกษาอะไรท่านสอนอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเหล่านั้นท่านสอนอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงองค์หลวงปู่มั่นท่านสอนพวกเราท่านบอกว่าเวลาจะทําจิตให้สงบจะภาวนาเนี่ยจะทําจิตให้สงบเรื่องทานเรื่องศีลก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่ด้มาพูดถึงเรื่องภาวนาเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยพวกเราก็จะได้นั่งภาวนาเมื่อหลวงพ่อพูดจบเนี่ยหลวงพ่อก็จะให้นั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเรียบร้อยแล้ว ท่านให้ประนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบในเมื่อไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะแผ่เมตตาในช่วงนั้นอีกก็ได้เพื่อให้ใจของเราอ่อนน้อมถ่อมตน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 อันนี้ก็คือแผลเมตตาในตัวของเราในใจของเราคือให้ออกมาจากใจจริงๆในขณะที่คิดอย่างนั้นคือข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นทั่วใจโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากนั้นก็เอามือลงในขณะที่เอามือลงเราก็บริกรรมหายใจเข้าพุทธ หายใจออกโถหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถอย่าไปแต่งลมให้เป็นธรรมชาติที่สุดในขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นแต่หากว่าเราจับลมยังไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเรายังไม่เคยไม่เคยภาวนาไม่เคยจับลมไม่เคยกำหนดลมให้พวกเราหายใจต่างแ่งเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบ ตัวเองหายใจเข้าแรงๆฟุดหายใจออกแรงๆฟุดสักสามสี่ห้าครั้งเราจะรู้ได้ว่าลมของเราเนี่ยมันเข้ายัางไงมันออกอยังไงในเมื่อเรารู้แล้วว่าลมมันกระทบที่ไหนเวลาหายใจเข้าแรงๆเวลาหายใจออกแรงๆลมกระทบที่ไหนให้เราเอาสติจับจุดจุดนั้น จับตัวที่ลมกระทบนั้นจะเป็นดั้งจมูกหรือเป็นชานจมูกหรือว่าที่ไหนที่มันกระทบในความรู้สึกที่เราเห็นได้ชัดลมเข้าลมออกที่เรากระแทกแรงๆจากนั้นก็ผ่อนผ่อนผ่อ น, อนปกติจากนั้นเราก็กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธแต่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตดรัสรู้ในวันเดือนหกเพนนนั้นท่านไม่ได้บริกรรมพุทโท ท่านเพียงแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกท่านกาหนดเพียงเท่านั้นที่พระโพธิสัตว์คือสิทธัตถะพุทธเจ้าท่านได้ภาวนาในวันเดือน6กเพ็นนั้จนถึงจิตพรทไทขององค์รวมลงเป็นหนึ่งแต่นี้หลวงปู่มั่นของเราเนี่ยท่านบอกว่า เพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นรู้สึกว่ามันจะสั้นเกินไปมันมีช่องว่างทำให้จิตใจหรือความรู้สึกของเราเล็ดลอดออกไปได้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งจะมีคาบริกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโถให้บริกรรมพดโถด้วยแต่ถ้าหากว่ายังบริกรรมมันยังเล็ดลอดออกไปได้อยู่ ถ้าหากว่าเรานั่งอยู่ในที่สงบสงบหัวใจของเรามันยังเต้นตึกตึกตึกเอากำหนดที่หัวใจเต้นอีกพร้อมกับหายใจอีกให้มันรู้ทั้งทั้งหัวใจด้วยทั้งลมด้วยอันนี้ก็ได้หรือว่าถ้าว่าเรากาหนดดูหายใจเข้าพดหายใจออกโถมันยังมีช่องว่างมันยังจะหลุดเล็ดหลอดออกไปได้อยู่ ให้เรากําหนดใจของเราความรู้สึกของเราที่มันนักเค็ดอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้เราบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ถี่เย็บในขณะใจของเราที่นักเค็ดนั้นคือไม่ให้ไม่ให้เรามันมีช่องว่างในขณะที่เราบริกรรมนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่พวกเราจะต้องทับจิตใจ ให้สงบคือพยายามจะกำหนดยังไงใจของเราจะไม่ออกไปข้างนอกคือออกข้างนอกน่นคือเรานั่งไปแล้วเนี่ยร่งภาวนาไม่รู้มันออกไปทางไหนบางทีไปนุ่มต่างประเทศไปที่ไหนก็ไม่รู้กว่าจะรู้ได้ข้าไปเจ้านั่งภาวนาไม่รู้มันออกไปเวลาไหนอันนี้แหละคือมันใจมันส่งออกเพราะเราเพราะเหตุหอะไรเพราะขาดสติขาดสติสัมปชัญญะนี่ย เพราะนั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่านนะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่หลวงพ่อได้ได้กล่าวระหว่างบริกรรมให้ถี่เย็บในขณะที่กล่าวนั้นในกำหนดที่ขณะที่ภาวนานั้นแต่หลวงพ่อก็เคยแนะนำสั่งสอนคณะทายาทโยมลูกหลานอีกเพราะว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เนี่ยท่านไม่ได้บอกตายตัวว่าต้องเป็นอย่างนี้ถนะ้าถูกต้อง พระพระองค์วางกรรมฐานไว้ทั้งสี่สิบอยา่างอันนี้คือพอประมาณเท่านั้นยังมีอีกลูกศิษย์ที่พวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วยังมีอีกเยอะที่พระพระหัะสภาษาวกที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในกรรมฐานที่ทําจิตใจของทําใจของท่านให้สงบนั้นเพราะนั้นพวกเรา จะหาวิธีกรรมวิธีการอย่างไรจะทำใจของเราให้สงบกระสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์ที่จะท่านจะแนะนำสั่งสอนแต่ละคนแต่ละองค์สรุปแล้วก็คือเหมือนกับครูบาอาจารย์แต่ละองค์แนะนวิธีการหาทรัพย์อย่างนั้นหาทรัพย์คือหาเงินพูดง่ายๆองค์หนึ่งก็บอกเออทานานะองค์หนึ่งกัททาสวนนะองค์หนึ่งก็ เกียรยางนะองค์นึงก่อนทำราชการนะองค์เป็นตำรวจนะเป็นทหารสุดแท้แต่แต่สรุปแล้วก็คือเพื่อหาเงินได้เมื่อได้เงินแล้วแล้วก็มีความสุขเพราะเงินนั้นซื้อสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เราได้นี้ก็เหมือนกันกูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ท่านได้วิธีการวิธีการปฏิบัติของท่าน ท่านได้รับความสงบทางสมาธิอย่างไรท่านก็จะมาแนะนาสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนี่นะขอให้พวกเราฟังแนวทางของแต่ละท่านมันถูกกับจิตของเราไหมถ้ามันถูกกับจิตของเราจะแสดงว่าใช่ได้เราก็นำมาประพฤติปฏิบั ต, บติกับตัวของเราเองอย่างหลวงพ่อได้แนะนาว่าเนี่ยกรรมาฐานสี่สิบของพระพุทธเจ้า ท่านสอนอย่างไรพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีล า, า, านุสติเทวตานุสติอานาปานุสติไอ้เด็กก็คือกรรมฐานแต่หลวงพ่อจะขอแนะนําแบบให้เห็นได้ชัดๆตรงหนึ่งคือให้พวกเรานับตรงพ่อไปในในหลวงพ่อก็ บ, บอกนับนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับไปเรื่อยจนถึงร้อย ก็ย้อนมากลับมานับหนึ่งอีกถึงร้อยถ้าเราไม่เผล่นะไม่เผล่นะในการนับนะแปลว่าจิตของเราเริ่มดีแล้วนะเพราะรับไม่เผลอแต่มันจะเผลอทั่นมันเป็นยังไงมันเผลอคือเรานับหายใจนับเป็นเลขขี้หนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สามสี่ห้าขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยแต่ถ้าว่ามัน มันจะหลงแล้วมันจะเผลอแล้วมันมันจะเบอร์เบอร์เบอร์เ บ, บอร์แล้วมันจะนับผิดอะไรช่านหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขคี่นั่นแหละแปลว่ามันขาดสติแล้วจุดนั้นเราต้องนับใหม่นี่หละวิธีการจากกานถ้าว่ามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจให้แข็งขึ้นอีก จ, อ จ, อจอ่อจดจอเข้าไปอีกนี่แหละสติของเราก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ในเมื่อเรานับแล้วแต่ที่เราก็มันกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกท่หายใจเข้าพุทหายใจออ ก, ออกโทพุทโทพุทโทไปเรื่อยแล้วต่อไปเป็นยังไงในเมื่อเราภาวนามีสติสัมปชัญญะดีขึ้ น, นเรื่อยอย่างนั้นต่อไปจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบจิตรวมจิตก็จะเข้าสู่ความสงบมันจะรวมจิตรวมนั้นเป็นยังไงจิตสงบนั้นเป็นยังไงนี่แหละ ถ้าว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความพยายามที่บังคับจิตใจไม่ให้ปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกให้อยู่กับตัวเองมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอย่างที่ว่าถ้ามีความตั้งใจจากนั้นจิตของเราจะรวมเข้าสู่ความสงบอันดับแรกมันจะวาบมันจะเย็นสบายในจิตใจของเราเหมือนกับแสงอะไรเข้ามาสู่จิตใจของเรามันวาบ แต่ว่าคํานี้น่ะมันเย็นมันเย็นมีความรู้สึกว่าผิดปกติในจิตใจทั่วๆไปที่ผ่านผ่านมาที่ผ่านผ่านมาเนี่ยที่ได้รับความเจ็ดเย็นใจจิตใจที่มันมีความสุขตรงนั้นอะ่ะโอ้จิตใจของเรามันทําไมผิดปกติทำไมเย็นมีความสุขถึงขนาดนี้จะรู้ได้ด้วยตนเองอันนี้ให้พวกเราปฏิบัติ แต่ในขณะที่มันผ่านไปแล้วเพียงแต่ช่วครู่เดียวตัวนั้นล่ะมันมีความสุขในใจขคนเราอยากจะให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นอย่างเมื่อกี้นี่อีกหรืออยากจะให้มันเป็นเหมือนคราวที่แล้วนี่เมื่อวานนี่อีกวันก่อนอีกมันจะไม่เป็นมันจะไม่เปลี่ยนเพราะเรามีความอยากมีความอยากอยู่ในใจเพราะนั้นเราอยากไปอยากภาวนาไปเรื่อยๆเหมือนกับเราภาวนาเริ่มต้นใหม่นั่นนะไม่ต้องสนใจมันผ่านไปแล้วคือคือมันผ่านไปแล้วไม่ต้อง ไปคิดถึงมันอีกจิตประเภทนั้นแล้วมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องนำมาอยากจะให้มันเป็นอีกถ้าเราคิดว่าอยากจะให้มันเป็นอีกพอกำหนดกาหนดใจของเราก็มันคงจะเป็นอย่างเมื่อวันนั้นหละมันก็ถอนออกมาซะมันก็ไม่สงบอีกเพราะนั้นเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดถึงมันอีกจากนั้นพอกำหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธตั้งต้นใหม่จิตของเราจะเข้าสู่ความสงบ สงบคราวนี้น่ะใครเข้าว่าจิตอยู่จิตไม่หิวไม่โหยจิตไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านมีสติควบคุมจิตใจของเรามีสติควบคุมมันจะคิดไปในทางไหนใจของเราควบคุมสติสติของเราควบคุมตัวผู้รู้อยู่ตลอดเวลาคือมันมันไม่ไปมันไม่หิวมันไม่โหยมันไม่ออกไปแต่พวกเราได้ยินเสียง คู่คนก็ได้ยินแต่สักว่าได้ยินมันไม่ตามออกไปได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ตามออกไปแต่ว่าตาของเราในหลับอยู่แล้วในการนั่งสมาธิใจของเราก็ไม่ปุงรู้มีสติรู้อยู่เรานั่งอยู่ใสถานที่ใดขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้สติของเราอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิแล้วนะทีนี้จิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตใจไม่ออก กระสับกระสายจิตใจไม่ออกไปข้างนอกไม่จิตใจไม่วอกแวกไม่ออกไปปุงไม่ไม่ปูงไม่ฟุง้งออกไปเหมือนตะกอดจิตใจอยู่สติควบคมุมในความรู้สึกของเราอยู่นี่ยอันนี้เ่ะอันนี้ขอให้พวกเรานั่งสมาธินะให้ดูให้เป็นจิตใจให้เราเป็นสมาธินี่แหละอุปจารสมาธิแต่เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจให้เหนือกว่านั้นไปอีก ควบคุมสติให้แน่วแน่กว่านั้นลงไปอีกใจของเราจะรวมลงไปสูส่ความสงบจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเน่งลงไปอีกเลยเมื่อรวมลงไปอีกข่าวนี้มันผิดปกติผิดปกติอย่างไรสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นนันหนึ่งอันเดียวกันใจกับสติ สติกับจิตสติกับความรู้สึกนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่คราวนี้มันไม่รู้จักกระทั่งว่าเรานั่งอยู่นะสถานที่ใดเราทำอะไรขนาดเสียงฟ้าร้องจะไม่ได้ยินเสียงรถเสียงราเสียงอะไรไม่ได้ยินทั้งนั้นคือใจไม่ออกมารับรู้ทางกายเลยเยมาอนันนะไม่รับรู้ออกมาทางหูทางตาทางกายของเราเลยใจของเราเป็นเอกเทศ จิตใจของเราเน่งมีแตสติกับจิตอยู่อันหนึ่งอันเดียวกันเท่านั้นนี่แหละใช่ว่าจิตเป็นอัปปนาสมาธิแต่จะอยู่ได้นานไหมบางคนก็ได้นานถ้าผู้ที่ฝึกฝนก็ได้นานแต่วิธีมันจะรวมน้ําบางทีเหมือนกับตกเหวตกบ่ก็มีแต่บางคนก็นน่งเข้าไปเฉยเฉยก็มีวิธีการวิธีจิตสงบประเภทนี้ ในเมื่อกิจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้พอสมควรนะจากนั้นกิจก็ถอนออกมาถอนออกมาเป็นอุปจาระสมาธิพวกเราจะรู้ได้ทันทีว่าเ อ, อืมือกีในใจของเราได้รับความสงบป่มเย็นเป็นสุขมีความสุขจริงๆในการนั่งสมาธิสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่านาิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เป็นจริงจริงๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้จากนั้นเราก็ได้ดูตัวของเราในขณะนั้นว่าเออขณะที่จิตใจของเราสงบนั้นมันเด่นเหลือเกินมันชัดเจนเหลือเกินร่างกายกับใจใจกับร่างกายเป็นคนละอันกันเห็นได้ชัดจริงๆในความรู้สึกในขณะนั้นเพราะฉนั้นเพียงจิตสงบเพียงแค่นั้นแหละเราก็รู้ได้แล้วว่ากายกับใจ เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละอันกันมันอาศัยกันอยู่ในร่างกายของเรามีกายกับใจอาศัยกันอยู่แต่เมื่อเราทำจิตใจให้สงบแล้วร่างกายก็คือร่างกายใจก็คือใจมันคนละอันกันเหมือนกับไข่กับไข่อยู่ในจานอย่างนั้นจานอยู่ในไข่ไข่จานเป็นที่รองไข่หรือจานอยู่ในผลผลไม้อยู่ในจานอย่างนั้นผลไม้ไม่ใช่จานจานไม่ใช่ผลไม้แต่มันอาศัยอยู่มันอยู่ด้วยกัน อาจรย์ใสมบพองรับผ ล, ลไม้นี่แหละจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเราจะรู้ได้ตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูนย์เราจะรู้ได้อีกเผยเผยยังจะรู้ได้ว่นานรกสวรรค์มีจริงบาป บ, บุญคุณโทษมีจริงเพราะเรารู้ได้แล้วตัวที่จะรับวิบากต่างๆนั่นคือใจส่วนกายเนี่ยมันถึงกําหนดของมันแล้วก็แตกตายสลายในที่สุด แต่ส่วนใจคือนมามธรรมนั้นตัวนั้นไม่ตายเห็นได้ชัดในขณะนั้นนี่แหละคือจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธิจากนั้นก็ถอนขึ้นมานี่แหละสมาธิที่พวกเราได้ศึกษานะั้นเพียงสามขั้นเท่านี้นขั้นนี้กะอุปจาระอัปปนามีเพียงสามสามขัน้นแต่ตอนนี้เมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราได้อะไร เราก็ได้ความสงบหรือว่าเราได้รู้ว่าเรื่องการภาวนาและการปฏิบัตินั้นรถแห่งความสงบนั้นเป็นอย่างไรเรารู้จากนั้นเราก็ต้องศึกษาเรื่องวิปัสสนาต่อไปอันนั้นคือสมาธิคืคอความสงบแต่บัดนี้เราจะเดินวิปัสสนาการวิปัสสนาคือพิจารณาใจของเราเนี่ยมันหลงอะไร พราะพระพุทธเจ้าอะใจของเรามันหลงมันหลงคืออะไรมันหลงหลงตัวเองพอหลงตัวเองนั่นแหลหลงสิ่งภายนอกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นมันหลงตัวเองหลงอะไรพระพุทธเจ้าตว่าให้พิจารณากายนะมันหลงกายเป็นอันดับแรกหลงของหยาบหยาบเลยถ้าพิจารณาใจเสฉยพิจารณาไปแล้วเดี๋ยวมันตะคุบหน้าตะคุบหลังตะคุบซ้ายตะคุบขวามันจะไม่ชัดเจน พอมันละเอียดเรื่องของใจให้พิจารณากายก่อนท่านจึงวางกรรมฐานห้าให้พวกเราได้ศึกษา เ, เกสาคือผมโลมาคือขนนขขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังท่านยังสอนเขาอีกมังสังเมื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าให้พิจารณาร่างกายทุกส่วนของร่างกายนี่ร่างกายของเราเนี่ย แยกส่วนแบ่งส่วนออกซชถอนผมผลเล็บฟันหนังเอาเป็นกองกองไว้ใช่กระดูกจัดเป็นกองตับลำไส้ปอดหัวใจเอาเป็นกองกองอันไหนคือร่างกายอันไหนคือตัวตนของเราฮะใจนี่แหละที่นี่คำว่าใจคํานี้เนี่ยที่พวกเราจิตเข้าสู่ความสงบนั่นเราจะแบ่งแยกได้ชัดเจนเลยเพราะเหตุไรเพราะมันผ่านความสงบมาแล้ว มันเห็นได้ชัดเจนว่าใจกับกายอาศัยกันอยู่แต่ในใจของเราเนี่ยมาพิจารณาร่างกายเราหลงที่ตรงไหนร่างกายเนี่ยผมเป็นของเราใช่ไหมขนเป็นของเราใช่ไหมเล็บเป็นของเราใช่ไหมฟันเป็นของเราใช่ไหมหนังเป็นของเราใช่ไหมกระดูกเป็นของเราใช่ไหมแต่ถ้ามันรวมกันมันก็ว่าเป็นของเราแต่มันแยกออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นของเราไหมอันนี้เมื่อเราเห็นร่างกายของเราได้ชัดเจนนี่แหละ ขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่เรานะใจนะแต่นี้มาพิจารณาเดนมันย้อนมาหาตัวผู้รู้เลยทําไมใจของเราจึงไปลุ่มหลงไปให้ความสําคัญร่างกายว่าเป็นเป็นตัวตนของเราเราจะสมควรสมควรน่นหลือที่จะยึดร่างกายมาเป็นของเรามันไม่ใช่ของเรานะถ้าเป็นของเราอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะอย่าแปรปวนไปทางอื่นนะใจนะต้องอยู่ในกายนะต้อง เป็นลูกน้องของเรานะอย่าไปเป็นอย่างอื่นนะมันไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังใจทั้งนะ่ะมีแต่ใจเป็นทุกข์กับร่างกายพอมันขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก่อนเนี่ะชรลาไปเรื่อยเรื่อยเลยไงฟันหลุดตาฝ้าฟาฟงหูตึงหูหนวกไปแล้วยไงหนังเหีย่ยวย่นไปละใจของเรามีแต่ภาวน์มีแต่พยายามหยุดยามมีแต่ยามชะลอความแก่เอาไว้เพื่อไม่ให้ร่างกายนี้ หลุดออกจากตนเองเพราะใจของเราเนี่ยรักร่างกายนีย่รักมากจริงๆใครมาพูดมาแตะต้องไม่ได้เกิดโมโหโกธาขึ้นมาเลยแต่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไปคนคว้าศึกษาแยกแยะดูแล้วท่านว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะแต่มันจะต้องแยกออกจากใจเพราะนั้นใจอย่าหลงนะอย่าหลงร่างกายนะในแต่ท่านให้พิจารณาร่างกาย ในเมื่อเห็นร่างกายของตน เ, เองเห็นได้ชัดเจนแล้วไม่หลงร่างกายของตนเองแล้วก็ไม่หลงร่างกายของคนอื่นจากนั้นก็ไม่หลงทรัพย์สมบัติไม่หลงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่หลงความเป็นอยู่ทั้งหลายทั้งปวงถึงจะมีสุขอย่างไงอีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องมีทุกมาทดแทนมันไม่มีอะไรที่เป็นเ จ, จรงังท้าวถาวรมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นนะใจนะ่น ในเมื่อไม่หลงกายแล้วก็ไม่หลงสิ่งอื่นใช่ในเมื่อไม่หลงตัวเองแล้วก็เนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออรับรู้อ่ะอันนี้เป็นเครื่องเป็นแต่ปัจจัยอาศัยชั่วคู่ชั่วคาวชั่วขณะเท่านั้นมันไม่ใช่ของเราที่เราจะพึ่งพาอาศัยจนถึงเป็นอนันตการอีกสักวันันึงก็จะต้องแยกย้ายกันกายกับใจเพราะนั่นใจอย่าหลงนะอย่าหลงอย่าหลงกายนะันนี่แหละ คือสอนใจของตนเองจากนั้นใจของเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจากนั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายอ น, นี้พิทาคือเบื่อไม่ใช่เบื่อที่ไหนเบื่อที่ใจของเรานั้นเพราะเห็นแล้วเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วและจะไปยึดก็เท่านั้นจากนั้นก็ใจก็ถอยไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็เบื่อหน่ายคลาย เมื่อเบื่อนายคลายใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสฉะนั้นทำคําสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหนไมาอยู่ที่ใจแต่ร่างกายของเราเนี่ยเพียงแต่ว่าให้รู้ให้รับรู้รับทราบเพราะมันมองเห็นกันได้มันเป็นรูปธรรมส่วนจิตใจนั้นเป็นนามธรรมพระพุทธเจ้าพระหานทสาวก ทั้งหลายท่านเน้นเรื่องนามรธรรมเป็นสําคัญกว่ารู ป, ปรธรรมไม่ให้ใจหลงกายไม่ให้ใจจึกมั่นถือมั่นเพราะสิ่งทั้งภายนอกเป็นของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องหนีออกจากวัฏสงสารขนาดร่างกายตัวเองแทๆ้ๆยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังไม่ใช่ของเราสิ่งอื่น ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้ยังไงหื้อใจนี่แหละในเมื่อเราพิจารณากายอย่างชัดเจนรู้แจ้งเห็นจริงไม่หลงกายแล้วใจของเราก็มาดูใจท่านมาดูใจใจของเรามันเป็นยังไงในขณะที่มันรู้มันเห็นมันรับรู้เรื่องต่างๆที่มาสัมผัสทางด้านจิตใจถ้าสิ่งไหนที่มากระทบดีใจเออ มันก็มีความรู้สึกสิ่งไหนที่มากระทบที่ไม่พอใจมันก็รู้สึกแสดงว่าใจของเราเนี่ยมันไม่มาตรฐานมันไม่อยู่ตัวมันไม่สแตนดาร์ดว่างั้นมันยังกระเพื่อมขึ้นกระเพื่มลงอยู่ถ้าเรามีสติมีสติมีปัญญาดูใจให้ดีนี่แหละใจของเราก็เป็นอเนกจังของไม่เที่ยง สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกนะสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนครับกระทั่งปฏิเสธกระทั่งใจใจของเราไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิเสธกระทั่งใจอีกเพราะมันเป็นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวล่ำเวลาในความรู้สึกของเรานั้นจากนั้นเมื่อพิจารณารอบคอบแล้วปล่อยวางกระทั่งความรู้สึกไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจอีกนี่แหละ ในเมื่อเราปล่อยวางทั้งหมดแล้วอันไหนอันไหนที่เราจะรู้มันก็จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะเราเรียนหนังสือที่แรกเราก็ไม่รู้แต่พอเราเรียนรู้ตัวหนังสือกอไก่กอไก่ขอไก่ A B C D ที่เรารู้แล้วตัวไม่รู้มันก็ตกไปความไม่รู้มันก็ตกไปความรู้มันก็โผล่ขึ้นมา นี้ก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยวางทั้งหมดแล้วสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นก็คืออมตะธรรมอมตะธาตุสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสิ่งที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจะรู้เกิดขึ้นในใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราสรุปแล้วทำอันบริสุทธิ์หรือว่ารมอันสูงส่งที่จะตัดภพตัดชาติไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราทั้งหมดมรรคผลอยู่ที่นี่กิเลสก็อยู่ที่นี่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ใจเนี่ยไม่อยู่ที่อื่นนี่แหละหลักของพุท ธ, ธะทางวัดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจแต่เ ด, เดี๋ยวนี้ใจของเราเนี่ยสัมประยุทธ์ไปด้วยกิเลส กิเลสเป็นผู้บัญชาการในใจของเราเดี๋ยกวก็ให้ทําอย่างนั้นเดี๋ยกวก็ให้ร้องให้เดี๋ยกวก็ให้หัวเราะเดี๋ยกวก็ให้รักเดี๋ยกวก็ให้โลภเดี๋ยกวก็ให้โกรธเดีเ๋ยกวก็ให้หลงอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุหลายเพราะใจของเรามีกิเลสแต่ถ้าพวกเราได้ใช้ตปธรรมคือสินสมาธิปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลกันกรองเข้ามาเรื่อยๆเห็นธาตุเห็นขันเห็นความรู้สึกของตนเอง จากนั้นก็รู้แจ้งเห็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นกายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจนั่นแหละความบุญทนก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมาแต่เบื้องต้นการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าพวกเราไม่ได้รับการศึกษาเราจะรู้เราจะเฉลียวฉลาดได้อย่างไรในเมื่อเราได้ศึกษาในทำคำสอนเราได้ฟังค่าวนี้เอาเถอะเรายัางไม่เชื่อต่อไปเราฟังอีกจากมั่นลงมือประพฤติธปฏิบัติอีกที่เราได้ศึกษาในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อย่างที่หลวงพ่ออินได้กล่าวไหมท่านนั่งสมาธิอย่างนั้นจริงไหมกาหนดลมหายใจเข้าออกจริงไหม จากนั้นหลวงพ่อก็ได้ยกกรรมฐานขวัญหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาขยายมาตีแผ่ที่พวกท่านทั้งหลายท่านเหล่านั้นได้ภาวนาดูแล้วได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้เป็นพระอริยะบุคคลที่ว่าท่านเหล่านั้นอธิษฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นสักิีพยาน พวกเราก็น่าจะตายใจเรื่องนั้นน่าจะเชื่อถือในทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งองค์หลวงตาท่านพูดทำมาให้ละเอียดถี่ถ้วนเรียงลําดับได้ดีมากแต่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นก็เนี่ยเมื่อท่านครูบาอาจารย์ได้นํำทำคําสอนมาที่หลวงพ่อได้นํามาบอกกล่าวแก่พวกเราท่านทั้งหลาย แต่ท่ามีแต่ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเท่านั้นเองเนี่ยจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนจยจริงจังแค่ไหนจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนมันอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายแล้วนะทินี้เพราะทําคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจริงจังอยู่แล้วเหมือนกับทองคําน่ะอยู่ในใต้ดินจุดนี้ล่ะเราจะจริงจังขนาดไห น, นเราจะขุดเอาทองคําขึ้นมาใช้ได้อย่างไรนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกัน ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านค้นคว้าศึกษาอยู่ในกายกับใจของเรานี่แหละแต่พวกเราจะใช้ตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาค้นคว้าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติยึดตรงไหนปล่อยวางตรงไหนพิจารณาอะไรอย่างที่ผมได้พูดกายกับใจผลที่สุดก็ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาสู่จิตใจใจของเรามีทั้งกิเลสมีทั้งธรรมอยู่ในนั้น เราจะเอาอยัางไงเราจะแยกแยะ ย, ยังไงจะจำกาจัดกิเลสโลกโกรธหลงออกจากจิตใจต้องใช้สติมหาสติไม่ใช่สติธรรมดานะมหาสติมหาปัญญาแยกแยะดูจิตใจของเราให้ถี่ท้วนจากนั้นก็ปล่อยวางวางที่ไหนวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจนั่นแหละความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่อยู่ไ ม, ไม่ไม่มีที่ไหนตรงนั้นนอกเหนือจากสมมติ สมมติไม่ถูกว่าถ้าสมมติคล้ายกับว่าเอาสมมติไปเปรียบเทียบท่านเองแต่จะให้ออากมาเป็นสมมติจริงๆพะนิพาณสว่างสวัยพันิพาณมีความสุขอย่างนน้นอย่างนี้ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรเพราะว่าพันิพาณ น, นอกเหนือจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงจนสมมติไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้มีต่ว่านิพพานังปรมังสูนอย่างไม่รู้สูนยงไง ถ้าศูนย์แบบโลกก็ศูนย์ว่างเปล่าไม่มีอะไรมันจะมีความสุขมันจะมีดีได้ยังไงความศูนย์นี่นิพพานังปรามังสุขะเอ้ศูนย์แล้วทําไมจึงสุขนะมันเหนือจากสมมุติทางหลายทางกว้งางทา น, นพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ให้ปฏิบัติถึงจุดนั้นแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าว่าเรายังไม่ถึงนะ่ะมีตะทกเถียงกันทกเถียงไปถกเถียงมากันนะ่ะทะเลาะวิวาทกันยิ่งเป็นกิเลสตัวใหญ่มาเล่อขึ้นมาอีกต่างหาก เพราะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติแล้วหมดความสงสัยไม่ต้องเถียงกันรู้แก่ใจใครรู้แก่ใจมันมรรคผลนิพพานใครปฏิบัติถึงแล้วก็นั้นะต่างคนก็ต่างไปไม่ได้กระชา ก, ากถู ก, กันไปเพราะนั้นมีแต่แนะนำกันฟังแล้ไม่ฟังเชื่อแล้วไม่เชื่อกระสุดแท้แต่มันเป็นสรรพสัตว์ในโลกพระพุทธเจา้าถ้าพระพุทธเจ้าจับลาก กระชากรากถูได้เพราะพุทธองค์คงจะเอาวิญญาณทุกวิญญาณเข้าสู่นิพพานทั้งหมดแต่นี้พุทธองค์ก็โปรดได้เพียงแต่เท่าที่จะโปรดได้เพราะนั้นเราเป็นสาวกสาวิกาในอย่างนี้เราจะไปเทศนาว่าการบอกกล่าวให้แก่คนทั้งหลายให้มีศีลมีธรรมทั่วนหน้ากันอันนั้นแปนว่าเป็นความโง่ตั้งแต่คิดแล้วไม่ใช่ความฉลาดแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ เอาตัวเองให้รอดนั่นแนหะเลิศประเสริฐที่สุดให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนไหวตายเกิดนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดที่พวกเราจะรู้ได้อย่างนั้นกับพะ ก, การประพฤติธปฏิบัติของตนเองอในเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงนั่นแนหะที่จะบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนก็เป็นอริยะประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อริยประเพณีของพระอริยะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ใครรู้ขนาดไหนก็แนะนําสั่งสอนไปแค่นั้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีใครพูดใครกล่าวเฉลยพวกพุทธศาสนาก็คงจะขุดจะด้วนไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าผู้ที่รู้แล้วก็แนะนําสั่งสอนกันไปจากนั้นกับพวกเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังก็ได้ศึกษาธรรมะไปผู้มีอุปนิสัยมักผลนิ่พานมีอยู่ก็ได้ศึกษาก็ได้เห็นมักเห็นผลต่อไปในที่สุดการพูดกัน แสดงธรรมกล่าวสโมโุธนยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้ต่อเ น, นี้ไปนั่งสมาธินะทีนี้นะการนั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนั่ง ข, ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้า ย, าาายเสร็จแล้วปนมมือไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโศสังโฆสมจบจากนั้นก็แผ่เมตตา ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นชาติอื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเมื่อจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกพุทโธธรรมสังโฆไหว้ครูสะก่อนจากนั้นก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิในครั้งนี้ขอให้เป็นบุญกุศลเกือ้อกูลหนุน ดวงวิญญาณผู้มีอุปการะคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายของข้าพเจ้าผู้ใดก็ดีตกทุกข์แต่ ย, ยากขอขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปด้วยเทอญคืออุทิศส่วนกุศลก่อนออกจากสมาธิทุกครั้งนะ